สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรากลับมาอยู่ใน20กฎทองคำของศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงซึ่งเป็นผู้เขียนและแปลโดยท่านศาสนาจารย์สุพิชวิจักโยทินต่อไปนะครับพี่น้องครับ20กฎทองคำนั้นเรามาถึงกฎข้อที่4ซึ่งเป็นกฎที่เรียกว่ากฎแห่งความเป็นและความตายครับ เมื่อวันสุขที่ผ่านมาผมได้แบ่งปันจากหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับการตายต่อภายในของตนเองนั่นหมายความว่าการตายต่อตัวเองครับกาลาเทียบที่2ข้อที่10ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นหมายความว่าความเป็นศูนย์กลางของตนเองทําให้ความสัมพันธ์ กับพระเจ้าเปลี่ยนไปคำว่าไอเซนเตอร์นั้นมีความหมายว่าข้าพเจ้าตัวฉันเป็นศูนย์กลางเมื่อเรายกความเป็นศูนย์กลางตัวเองขึ้นมาเราให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าพระเจ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็จะเปลี่ยนไปครับและในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกัน พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคาอธิบายของกาลาเทปฤทข้อยี่ 20. มีข้อคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับพระธรรมการบทที่ 3: ข้อาพระธรรมการบทที่3ข้อเป็นเรื่องราวของอาดัมที่เปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเขาจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าพี่น้องครับมนุษย์ที่ถูกสร้างนั้นมีความจํากัดครับ จะไปคิดว่าตัวเองเหมือนกับพระเจ้าได้อย่างไงครับพระเจ้าของเราไม่มีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นการคิดเช่นนี้เป็นการยกตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นความโง่เขลาอย่างสิ้นเชิงและสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของอาดัมและเอวาก็คือการที่ชีวิตของเขานั้นดิ่งลงสู่เหวดิ่งลงสู่การตกต่ำได้ ว, ว่าตกลงสู่ความบาปครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความตาย มนุษย์กับพระเจ้าก็ห่างเหินกันมนุษย์กับมนุษย์ก็ห่างเหินกันและกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อกันพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจนะของพระเจ้าเคลื่อนจากปฐมกาลบทที่สไปถึงปฐมกาลบทที่11ครับพวกเราคงจําได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหอบาเบลพี่น้องครับหอบาเบลนั้นเป็นเรื่องที่ลอกเรียนแบบในบทที่3ถึงความเป็นศูนย์กลางของตนเองครับ บทที่สามข้อที่ 5, ห้าเมื่อสักครู่นี้ผมได้อ่านไปแล้วก็คือว่าตัวเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้านั่นคือสิ่งที่อาดัมคิดในผสมการบทที่ส0เอ็กก็เช่นเดียวกันครับมนุษย์ได้ยึดถือความเป็นศูนย์กลางของตตนเองชัดเจนมากในเรื่องนี้มีสามประโยคที่อธิบายความคิดของการถือตัวเองเป็นสำคัญหรือตัวเองนั้นเป็นศูนย์กลางได้ดีที่สุด คำคำแรกหรือประโยคแรกก็คือกอหอให้ยอดเทียมฟ้าพี่น้องครับความคิดแบบนี้ครับมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางาศาสนาก็คือว่าจะกอหอสร้างสิ่งที่ปลูกสร้างให้สูงเทียบเท่ากับพระเจ้านั่นคือเป็นประโยคแรกหรือคำแรกจากาพระวจนะของพระเจ้า ที่ทำให้เราเห็นถึงความเป็นศูนย์กลางของตัวเองหรือไอเซนเตอร์ประโยคที่สองครับให้เราทำชื่อเสียงไว้พี่น้องเห็นไหมครับให้เราทำชื่อเสียงไว้ก็เป็นวลีหรือประโยคที่ยกย่องตัวเองจะสร้างชื่อให้กับตัวเองจะนำมาซึ่งเกีดยรติยศเป็นคำร่าลือเป็ น, ค, นคำกล่าว พาดพิงในทุกยุคทุกสมัยทําชื่อเสียงไว้ครับและประโยคที่สามลีที่3ก็คือเมืองนั้นเรียกว่าหอบาเบลบาเบ ล, บเบลแปลว่าอุ่นวายครับอุ่นวายก็คือความโกลาหนไม่เป็นระเบียบพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อมนุษย์เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางยกตัวเองให้เท่าเทียมกับพระเจ้าและสําคัญผิดนึกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้สร้างครับเป็นครีเอเตอร์ เป็นพระผู้สร้างแทนพระเจ้านั่นคือสิ่งที่จารึกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็เป็นพยานถึงความอยากจะเป็นหรืออยากจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมนุษย์เป็นใหญ่ที่สุดไม่ใช่พระเจ้าเป็นแนวคิด h u m a n i s m พี่น้องครับ humanism แปลว่ามนุษย์นิยมไม่ครัไม่ใช่พระเจ้ า, น, น, น, า, า น, นิยม พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่าอันตรายมากเมื่อมนุษย์นั้นเริ่มต้นคิดว่าตัวเองนั้นเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าแล้วเราก็หายณะจะตามมาครับหลายครั้งทีเดียวในชีวิตของเราบางคนนั้นก็ดูเหมือนเก่งใจพระเจ้านะครับอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองอยากจะคิดด้วยตัวเองอยากจะวางแผนชีวิตด้วยตัวเองอยากจะเป็นเจ้าของชีวิตเอง โดยที่เขาลืมไปว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกสร้างแต่พระเจ้าผู้สร้างนั้นมีพระประสงค์ดีกว่าแผนการของพระเจ้านั้นดีกว่าและสูงกว่าความคิดของมนุษย์นั่นคือสิ่งที่เขาไม่ได้มองหรือมองข้ามไปแล้วความคิดที่ว่าเราอยากจะเป็นอิสระเราไม่อยากอยู่ใต้อานาจของใครเราไม่อยากอยู่ในแผนการของใคร เราต้องการอิสระภาพคำว่าอิสระภาพนั้นแท้จริงแล้วพระเจ้าได้ทรงให้มนุษย์มีอิสระภาพครับในการที่จะไม่ทำบาปแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปตกต่ำอยู่ในความบาปมนุษย์ขาดอิสระภาพในการคิดคิดอย่างอิสระมนุษย์ขาดอิสระภาพในการพูดพูดอย่างอิสระมนุษย์ขาดอิสรภาพในการกระทาอย่างอิสระที่จะทาความดี ทำความดีพูดความดีคิดในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ดีมนุษย์ตกจากมาตรฐานที่พระเจ้าตั้งไว้ไม่มีใครที่ไม่มีบาปไม่มีใครที่เป็นคนชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจากพอเจนะของพระเจ้าพี่น้องครับประวัติศาสตร์และพระกัมภีของมนุษย์ที่เขียนขึ้นมาและพระกรมัมภี ที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้านั้นก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วกลับมาดูนะครับว่าหอบาเบลนั้นต่อมาได้กลายเป็นเมืองบาบิโลนครับเป็นประเทศมหมามณฑลที่เป็นศัตรูกับพระเจ้านักวิชาการด้านพระคมภีร์ได้เข้าใจว่าต่อมากษัตริย์เนบูคัดเนซา์ก็ได้สร้างปฏิมกรที่ใหญ่โตมากบนที่รับดูลาที่รับดูลานั้นเดิมเชื่อกันว่าเป็นที่เดิมของหอบาเบลครับ นั่นคือการขานรับตั้งแต่ต้นจนสุดปลายเพราะว่ามีคุณสมบัติแบบนี้ที่วิวร์ครับพี่น้องครับถ้าเปิดดูในพระธรรมวิวร์บทที่18นั้นเราจะเห็นว่าได้กล่าวถือเมืองบาบิโลนซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์สั ญ, ญลักษณ์แห่งอนุภาพที่ต่อต้านพระเจ้าที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าครับอย่างเองก่อนที่จะมีกรุงบาบิโลนหรือเมืองบาบิโลพนพระเงมพี ได้บันทึกถึงผู้สร้างหอบาเบลก็คือนิมโรธพี่น้องครับนิมโรดคนนี้เป็นคนสำคัญครับแต่เป็นคนสำคัญในทางที่ไม่ดีประธมรการบทที่11ข้อที่แในข้อที่10ได้บันทึกถึงคนนี้ที่ชื่อว่านิมโรดได้บันทึกถึงทั้งชื่อของเขาและคนสมัตของเขาด้วยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งชื่อเมเยอร์ท่านเข้าใจว่านิมโรดนั้นเป็นเงาครับ เป็นเงาของแอนติคริสต์หรือเป็นเงาของผู้ต่อต้านพระคริสต์ในยุคสุดท้ายเลยและเขาได้ให้เหตุผลวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งครับเนื่องจากว่านิมโรธชื่อของเขานั้นแปลว่ากบฏพี่น้องครับผู้ต่อต้านพระคริสต์ศัตรูของแผ่นดินสวรรค์ศัตรูของคริสเตียนก็คือเป็นคนที่กบฏเขากบฏ เขามักกบดและเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมกาลแล้วครับนั่นคือมารซาตานและตัวแทนของมารซาตานที่อยู่ในโลกนี้ก็คือแอนติคริสครับที่จะมาถึงในยุคสุดท้ายประการที่สองครับเขาเป็นหัวหน้าเป็นยอดนักรบเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการใช้อาวุธและทำสงครามนั่นคือคุณสมบัติของนิมโรธครับและข้อที่3าม ดินรดนั้นเป็นพานใหญ่ยิ่งต่อพระพักของพระเจ้าเมเยอร์ Major, ซึ่งเป็นนักวิชาการนั้นอธิบายว่าภาษาเดิมคำว่าต่อพระพักของพระเจ้าก็คือเป็นผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามกับพระเจ้านะครับไม่ใช่อยู่ต่อพระเจ้าแต่แปลว่าอยู่ตรงกันข้ามนะครับอยู่ประเชิญหน้ากับพระเจ้านั่นเองและ ประการที่4คํคำว่าในพรานนั้นมีความหมายก็คือเป็นผู้ล่าผลประโยชน์ครับเป็นผู้ล่าผลประโยชน์แล้วจากหลักฐานต่อมาครับประการที่5เราได้เห็นว่าเมืองต่างๆที่ได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือบาเบลคิณาเนนาเวฟิลิสเตียพี่น้องครับเมืองต่างเหล่านี้เมื่อเราอ่านชื่อเมืองแล้ว เราคงจำได้ใช่ไหมครับว่าเมืองเหล่านี้และประชาชนของเมืองเหล่านี้ต่อมานั้นได้กลายเป็นศัตรูกับชนชาติอิสราเอลมาโดยตลอดครับและถือว่าเมืองบาเบลหรือหอบาเบลนั้นเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางอรารยธรรมทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจ เรื่องของนิมโรธนี้พี่น้องครับเรื่องนิมโรนั้นแม้ว่าจะเป็นเงาของผู้ต่อต้านพระคิดในยุคสุดท้ายแต่บาบิโลนก็เป็นตัวแทนของการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางยกตัวเองขึ้นเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าบาเบลก็เป็นสัญลักษณ์ของการก่อยอดเทียมฟ้าทำชื่อเสียงแล้วเกิดความวุ่นวายในที่สุด หาชีวิตของเรานะครับอยากจะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้ามันจะเกิดความวุ่นวายและไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยเราต้องให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมแผนงานและชีวิตของเรานั้นอยู่ในน้ามัดใยของพระเจ้ามันก็จะไม่วุ่นวายครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกคนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางวุ่นวายแน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน การประชุมหรือในการที่จะแสวงหาความยิ่งใหญ่ของตัวเองทุกคนนั้นก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทั้งสิ้นดังนั้นเองก็เลยเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเพียงครับในพระธรรมอิสยาห์และวิวา น, นั้นมีคำเรียกร้องจากพระเจ้าถึงประชากรของโรงให้ออกจากเมืองบาบิโลนครับอิสยาห์บทที่52าสิบสข้อบอกว่าไปสิจงไปออกไปจากที่นั่นอย่าแต่ต้องสิ่งที่ไม่สะอาดจงออกไป ข้ามกลางเมืองในพระธรรมวิวรณ์บทที่18บข้อที่4พระเจ้าทรงเรียกประชากรของพระองให้ออกจากการถือตัวเองเป็นศูนย์กลางครับให้ออกจากไอเซนเตอร์ดังนั้นเองเราจึงต้องแสวงหาและเรียนรู้ที่จะตายต่อตัวเองครับตายต่อความเป็นตัวของตัวเองตายต่อตัวตนภายในของเราพิธีบัพติศมานั้นพี่น้องครับเป็นสั ญ, ญลักษ ของความหมายนี้ครับว่าข้าพเจ้าขอปฏิเสธตัวเองข้าพเจ้าตายถูกฝังและฟื้นกับพระเยซูครับและนี่คือจุดยืนและท่าทีของคริสเตียนของเรารวมบทที่ 6, 1ข้อเป็นข้อสรุปในตอนนี้สำหรับวันนี้ครับความว่าจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ โปดฟังอครั้งครับโรมบทที่6กข้อจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์คำว่าถือว่านะครับมีความหมายว่าท่าทีทัศนคติจุดยืนและเป้าหมายชีวิตของเรานั้นได้ตายต่อบาปแล้วพี่น้องครับทัศนคติของเราจุดยืนของเราเป้าหมายท่าทีของเรา ได้ตายต่อบาปแล้วหรือยังครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะตายต่อบาปทุกวันทุกวันตายสนิทมากขึ้ น, นเรื่อยเพื่อที่ชีวิตใหม่ก็จะเบ่งบานและเกิดผลมากถวายแด่พระเจ้าอาเมน